งานโฆษณาและการเขียนนวนิยายถือเป็นการโกหกหรือไม่ถามทำงานเกี่ยวกับไอเดียสร้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องพูดความจริงเพียงบางส่วนแบบที่ใจเรารู้อยู่ว่าส่วนที่เหลือไม่ค่อยดีนักอยากทราบว่าเป็นบาปแค่ไหนและอยากถามด้วยว่า คุณดังตรินเขียนนวนิยายซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงถือว่าเป็นการมุสาไหมตอบการประกอบอาชีพทางโลกนั้นน้อยมากครับที่จะสะอาดสะอ้านผุดผาดปราศจากมนลทินได้หมดจดอย่างเช่นหลักวิชาโฆษณาจะเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ดูเด่น ดูดีดูคุ้มดูมีค่าแต่เมื่อคุณศึกษาตัวสินค้าแล้วจะทำหน้าเยเห็นมันไม่เด่นไม่ดีไม่คุ้มไม่มีค่าอย่างไรถ้าตัดสินใจรับงานก็จำเป็นต้องหาจุดแข็งให้จงได้ส่วนจะจำเป็นต้องพูดให้เกินจุดแข็งที่พบหรือกระทั่งจำเป็นต้องกลับดำให้เป็นขาวตามใบสั่งเพียงใดก็เป็นเรื่องที่นักประชาสัมพันธ์แต่ละรายลำบากใจมากน้อยต่างกัน ถ้าไม่เห็นว่ามันผิดก็ไม่รู้สึกผิดแต่หากเห็นว่ามันผิดก็หลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดเหมือนเป็นคนโกหกหรือเหมือนร่วมขบวนการเลี้ยงเด็กแกะไปกับเขาด้วยฉะนั้นตรงจุดเริ่มต้นนั่นแหละครับที่สาคัญหากคุณมีอำนาจตัดสินใจเลือกโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สินค้าที่ไม่หลอกลวงไม่เอาปเปรียบผู้บริโภคได้ก็จะไม่ต้องฝืนใจ ไม่ต้องพยายามเข้นความคิดกลับดำให้เป็นขาวในภายหลังแต่หากคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจเลือกคือนั่งโตรับใบสั่งจากเจ้านายที่ท่านรับงานมาแล้วอันนี้ก็ต้องทำใจไว้ว่าเราทำหน้าที่ของเรานะเราไม่ได้มีความเต็มใจยินดีที่จะกลับดำเป็นขาวไม่ได้อยากจะโกหกแทนคนอื่นใจที่มีความยินดีย่อมลดทอนความรู้สึกผิดลง และนั้นก็ลดมนลทินลงได้จริงด้วยตามธรรมชาติของจิตและกรรมที่ว่าถ้าไม่ยินดีไม่เกิดสมนัะในการกระทําบาปบาปนั้นๆย่อมไม่ใหญ่โตนักเวลาให้ผลก็ไม่รุนแรงเต็มเหนียวและกว่าจะให้ผลก็อาจใช้เวลานานพอควรกับทั้งเปิดโอกาสให้ทําบุญอันเป็นตรงข้ามกับบาปนั้นๆได้โดยที่จิตไม่รู้สึกถูกปิดกั้นด้วยเหตุภายนอกและภายในใดๆ อาชีพประชาสัมพันธ์สินค้านั้นต้องมีบ้างที่สินค้าดีจริงต้องมีบ้างที่สินค้าคุ้มค่าเกินราคาและต้องมีบ้างที่สินค้าหลอยโถ่ยไม่เอาอ่าวดังนั้นอาชีพของคุณจึงไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องปั้นน้ําเป็นตัวปั้นดินให้เป็นดาวอยู่ตลอดเวลาใจคุณจึงเฉลี่ยเฉลี่ยไปได้อยู่แล้วเช่นไม่ต้องเห็นตนเองเป็นเด็กเล้งกะทุกวัน บางวันอาจมีโอกาสส่งเสริมสินค้าดีๆมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักกับคนจำนวนมากเหมือนนาสิ่งดีๆไปสู่ชีวิตใครต่อใครในวงกว้างได้ซ้าบอกตัวเองว่าคุณไม่ใช่นักโฆษณาใจบาปขอให้มีโอกาสเถอะเห็นสินค้าตัวไหนคุ้มหรือเกินคุ้มก็ใส่ใจเชียร์เต็มที่ด้วยความอยากให้เขาประสบความสาเร็จ และเมื่อเห็นสินค้าตัวใดเอารัดเอาปเปรียบผู้บริโภคก็ทำใจกลางๆว่าเราเลือกข้อเด่นข้อดีที่มีอยู่จริงๆมาพูดจะงดเว้นการนำเสนอเรื่องไม่มีมูลมาฝอยเป็นตุเป็นตะหากเจ้านายหรือลูกค้าออกใบสั่งพิเศษมาให้ปั้นน้ำเป็นตัวคุณต้องมีจุดยืนโต้ตอบกับพวกเขาบ้างคือชี้ให้เห็นว่าตามฐานะผู้มีหน้าที่ออกไอเดีย คุณเห็นว่าการพูดเกินจริงมากไปจะก่อให้เกิดภาพที่เสียหายในภายหลังคุณไม่สามารถวาดภาพลวงตาที่ไม่ก่อความเสียหายต่อสินค้าขอพบกันครึ่งทางคือนําเสนอความจริงที่ดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนํามาสร้างเป็นภาพหน้าประทับใจที่สมน้ําสมเนื้อและไม่ทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าถูกหลอก แต่ละครั้งที่คุณสามารถเข้นไอเดียได้จากโอกาสอันแคบจำกัดคุณจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆและไม่เฉพาะฉลาดในเชิงการตลาดแต่จะฉลาดในเชิงกรรมด้วยต่อให้คุณต้องเอาโจรมาเป็นในแบบโฆษณาความฉลาดของคุณก็จะ ก, กล่นโฆษณาที่เป็นมงคลมีผลเป็นบวกก่อโลกทัศด้านดีให้คนชมจนได้ ต่อข้อถามที่ว่านิยายเป็นเรื่องไม่จริงถือว่าโกหกไหมก่อนอื่นต้องเล็งที่การรับรู้ของคนอ่านเป็นหลักนะว่านิยายคือข้อตกลงในตัวเองว่าเป็นเรื่องสมมุติเพราะฉะนั้นคนอ่านย่อมรับทราบแต่แรกว่าตัวละครและโครงเรื่องไม่มีอยู่จริงในโลกนี้เมื่อคนเขียนนิยายตรรหนักว่าคนอ่านจะไม่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์จริง โดยทั่วไปก็ย่อมตกแต่งเรื่องราวโดยปราศจากเจตนาลวงให้ใครๆหลงนึกว่ามีตัวละครนี้อยู่มีเหตุการณ์นี้อยู่และเป็นไปได้ที่จะเจตนาใช้เรื่องแต่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องดีขึ้นจริงๆอีกประการหนึ่งแม้ตัวละครและเหตุการณ์จะไม่จริงแต่นักประพันธ์สามารถให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเข้าไปได้ทุกหน้า เหตุผลของนักประพันธ์ส่วนใหญ่ที่จะให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงไว้ในนิยายเสมอก็คือเพื่อให้นิยายของตนมีน้ำหนักน่าเชื่อถืออันจะทําให้เรื่องทั้งหมดเร้าใจไม่ต่างจากเหตุการณ์จริงจะเห็นได้ว่าถ้าเรื่องใดขาดเหตุขาดผลขาดความสมจริงขาดที่มาที่ไปทําอย่างไรก็เราใจให้คุณรอคอยจุดสรุปอันเป็นยอดสุดของเรื่องไม่ได้ เหตุผลของใครเป็นอย่างไรกรรมของเขาก็เป็นอย่างนั้นสำหรับผมผมจะใส่ข้อมูลและข้อเท็จจริงเข้าไปมากที่สุดโดยมีเหตุผลคือเพื่อสาธิตกรรมอันเกิดขึ้นได้จริงในโลกปัจจุบันและวิบากอันเกิดขึ้นได้จริงจากวิธีคิดวิธีพูดวิธีทาแบบหนึ่งหนึ่งเหตุผลอันเป็นไปเพื่อสาธิตกรรมวิบากนี้เอง ที่ทำให้ผมบอกตัวเองได้เต็มปากว่าผมเปล่าโกหกและบางครั้งนิยายที่ออกมาอาจจะแสดงความจริงได้ชัดเจนกว่าสารคดีเปิดโลกกว้างทางทีวีด้วยซ้ำเนื่องจากคนเรารับรู้ความจริงได้ง่ายผ่านตัวอย่างที่โยงอยู่กับประสบการณ์ของตนเองและกลวิธีทางนิยายก็เปิดโอกาสตรงจุดนี้อย่างเต็มที่ แต่ละความคิดแต่ละคําพูดแต่ละการกระทําของตัวละครในนิยายไม่ได้ออกมาจากจิตใจของผมแต่ออกมาจากจิตวิญญาณของตัวละครนั้นๆโดยตรงทีเดียวหลักการของผมขณะลงมือเขียนแต่ละบรรทัดคือผมจะกันตัวเองออกมาเป็นผู้แลเห็นจิตของตัวละครแต่ละตัวไม่เอาความพอใจส่วนตัวเข้าไปเจือด้วยเลยผมจึงรู้ตามจริงว่าในสถานการณ์หนึ่งหนึ่ง ตัวละครจะโต้อตอบกับโลกท่าไหนเสมอเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณอาจไม่พบชื่ออย่างนี้นามสกุลอย่างนั้นเหมือนในนิยายของผมแต่ตัวตนแบบนั้นนั้นก็จะคิดพูดและทำอย่างที่คุณเห็นผมเขียนจริงๆคำถามที่มีมาถึงเป็นประจำคือตัวละครที่ผมเขียนนั้นชื่อแซ่ใดบ้านช่องอยู่ที่ไหน ต้องมีตัวตนอยู่แน่ๆเลยซึ่งคำตอบที่ชัดเจนก็คือมีอยู่จริงในใจคนอ่านนั่นแหละนอกจากนั้นผมต้องบอกตัวเองไว้ด้วยว่าจะสร้างความสมจริงขึ้นมาเพื่ออะไรคำตอบก็คือเพื่อให้คนอ่านเชื่อในกรรมขาวว่ามีผลเป็นสุขเชื่อในกรรมดำว่ามีผลเป็นทุกข์เชื่อว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมวิบากไว้อย่างหมดจด ทุกคนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากความเข้าใจอันก่อให้เกิดความเชื่อยอย่างหนักแน่นในระดับโสมณะศัทธาหากผลตอบรับจากคนอ่านนิยายจำนวนมากเป็นไปในทิศทางที่ตรงกับเป้าของผมผมก็คงสบายใจหายห่วงและแม้เจตนาโดยรวมจะดีผลรวมที่เกิดกับคนอ่านออกมาเป็นบวกแต่ส่วนไหนตอนใดในเรื่องที่ก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะ อย่างไรก็มีผลลบกับผมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องระมัด ร, ระวังตลอดจนพยายามถ่ายทอนผลค้างเคียงด้านลบนั้นเสีด้วยบทสรุปที่ขานกันหรืองัดข้อกันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเช่นถ้าเขียนนำไปด้วยคำพูดจูงใจให้รู้สึกว่าฟรีเซ็กเป็นของดีต่อมาผมต้องนำอะไรบางอย่างที่น้ำหนักชนะกัน มาทําให้คนอ่านเห็นจริงว่าผลของฟรีแซ็กเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเป็นทางสู่ความตกต่ําผมทราบ ว, ว่านักประพันธ์บางท่านแอบเป็นบ้าอย่างลับๆก็มีเป็นโรคหดหูซ่ซึมเศร้าก็มีแยกโลกความจริงจากโลกจินตนาการไม่ออกก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากยืนยันกับโลกวรรณกรรมครับในที่สุด คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณให้แก่คนอ่านเสมอผู้ให้สติยอมได้สติผู้ให้เป้าหมายยอมได้เป้าหมายผู้ให้ความแปรปรวนทางอารมณ์ยอมเกิดความแปรปรวนทางอารมณ์อาชีพนักประพันธ์ก่อกรรมได้ไม่จํากัด เพราะเพาะดานมีอยู่แค่ที่จินตนาการอ น, นันต์ในมนุษย์เท่านั้น